เท่าทันกิเลตันหารู้เท่าทันร่างกายสังขารทั้งปวงถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็หลงมันหลงไปยึดถือเอาอะไรต่ออะไรในโลกสงสารอันนี้ มันสำคัญว่าโลกสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้แก่ร่างกายอันนี้ น้องเพ่งดูให้ดีไม่ใช่ว่านเป็นสิ่งที่น่า ย, ยินดีพอใจอะไรมันมีหนังพุ่มอยู่เท่านั้นเองเนะี่ยสิงพอดูกันได้การหลอกหนังออกเทแล้วไม่มีอะไรเป็นของสวยงาม เป็นของที่น่ารักน่าพอใจองต่างเอาให้ใครใครก็ไม่เอาไอ้ที่มันพอดูกันได้พอมีหนังหุ้มอยู่อวัยวะภายในยนี่มีแต่นำเลือดนำเหลื้นลงนำน้องนำลายน้ำมูก กกจำพวกน้ำมันก็ไม่มีของน้ำสิ่งใดที่มันจะน่ายินดีพอใจเลยเฉพาะธาตุดินยันนี้มันก็นองกัวดดูซีธาตุดินผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไ่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเมื่อกวดดูให้ละเอียดทีทวนแล้วท้าดินก็ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีพอใจเลยผมเถอะขางอกขึ้นมาแล้ว ถ้าไม่รักษาไม่พอกไม่ล้างไม่อาบน้ำมันก็เกิดรังแคขึ้นเกิดเหงื่อใครจับเกิดกั้งส่งกินเม้นผมนี่นะไม่ใช่เป็นของสวยเมื่อไหร่เอา้าหาเงินหนาะทองได้มาแล้ว ก็ไปหาช่างเสริมสวยเขาตกแต่งให้ให้ดัดไหงอไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าขาดการตกแต่งแล้วผมนี่มันก็มไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลยยังสกกระปกอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพียงแต่พิจนานดูผมอย่างเดียวมันก็พอแล้วพอหน้าเบื่อ แต่คนส่วนมากไ็ได้พิจารณามันนะมีแต่เกิดมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสิ่งมุลนิหาทางตกแต่งมันกบเกือนความไม่สวยไม่งามมันไว้พิษพันธ์มูลนิก็เหมือนกันนะต้องอาบน้าทุกวันทุกวั น, วนมันก็จึงมีไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไป ถ้าลองไม่อาบน้ำสะเก็วันลองดูซินี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกไปใกล้กันก็ไม่ค่อยได้เลยเพราะอะไรเน่ะก็เพราะว่ารูปทั้งพวงนี่เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไ้รู้ได้ยังไงว่ารูปเกิดรูปดับก็รู้ได้นี่เนี่ยมันจะยากอะไรล้ว ดื่มน้ำเข้าไปเอาน้ำไปทำหน้าที่เลี้ยงร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งล้วมัก่กลกายเป็นของเสียไปแล้วก็ถ่ายเทออกมาก็ชื่อว่ารูปแตกรูปดับเหมือนกันอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปถาดย่อย ส่วนละเอียดก็ื่มน้บเข้าไปเลี้ยงร่างกายส่วนยาถึงเวลาแล้วก็ถ่ายเทออกไปนั่นเราเรียกว่าลูกดับอย่างนี้แหละเมื่อเวลาทางานหนัหนกๆเข้าไปหีือว่าถูกแดดร้อนอาหารที่ไปเราเลี้ยงร่างกายน้ำหมดนั้ะ มันก็ซึมออกมาตามขมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อคลายถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจับกันมากเข้าไปมันก็กลายเป็นคลานี้นะถ้าไม่ชำะระล้างมันก็ส่งกลิ่นเหม็นก็ อ, อย่างนี้นะ กันเมื่อค้นดูเมื่อกลัวดูให้ละเอียดทีทุท่นแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอันใดที่น่ายินดีพอใจแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยพิจารณากันดังนั้นมันจึงหลงไหลมัวเมากันจึงไม่คิดที่จะหาทาง ให้หลุดให้พ้นไปจากรูปจากนาอันนี้มัอเมากันอยู่นั่นแหละอ่ามันเหม็นหลายเอาน้ำอบน้ำหอมมาพรมเข้าไปให้น้ำอบน้ำหอมมันส่งกินออกมาแทนเอาไปกลบกินเหม็นในร่างกายนั้นไว้ เมื่อกกายใกล้ผู้ใดเข้าไปก็โอ้คนนี้กลิ่นหอมดีคนนะที่แท้แล้วไปเอาน้ำหอมหนุ่นมาทาไว้ทางหากลิ่นธรรมชาตินึ้ไม่มีหอมหรอกนี่แต่เหม็นอันโ่นี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาดูเพราะว่า โวงจิตนี่อาศัยอยู่ร่างกายนี้อาศัยอยู่ร่างกายนี้แต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงมันจึงหลงยึดลงถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของเราเป็นของเขาลองพิจารณาดูให้ดีเป็นเช่นนี้แหละจิตใจที่ไม่ดี ฝึกผนอบรมณ์ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วมันจะหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบเกี่ยวกับร่างกายสังขารอันนี้เนะ่ะเมื่อเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบนั่นแหละมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในรูปในนามอันนี้ ียงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กับรูปกับนามอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วเพาะมัน ไ, ไม่ได้เบื่อหน่ายมันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่้วนถ้าผู้ใดพิจารณาให้ละเอียดถี่้วนแล้วจะเห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่น่านรักใครอพอใจ และไม่น่าเกลียดชังอะไรหาเพ่งวินาให้ละเอียดเข้าไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรานี่จะไปเกลียดชังมันทำไมอ่ะถ้าถ้าไปเกลียดชังมันมันก็มีรักถ้ารูปใดประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้นมานะก็หลงรัก ถ้ารูปใดไม่ได้ตกแต่งปล่อยสามจะถากรรมมาขี่ร้ายเกลียดชังอย่างนี้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นมัชสิมาปฏิปทาไม่เป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราฝึกจิตใจนี้ให้เป็นกลาง ต่อนามต่อรูปอันนี้เลยอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมันอยู่มันก็ต้องติดต้องข้องอก็ต้องใช้มันทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างเนี่ยจะ จิตที่มันไปหลงยึดถือขันหานี่มันไม่ใช่มีแต่ทางดีนะอยู่ภายในเนนะี่ยทางชั่วก็มีบางทีจิตนี้มันก็เดินไปทางชั่วบางทีก็เดินไปทางดีเพราะข้าที่ตนไม่รู้นี่มันมีตัณหาวิชาครอบงาอยู่กับเพราะเหตุนั้นแหละ ยิ่งได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอาศัยขันห้านี่มานับชาติไน่ทนแล้วเมืนี้เมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพึ่งทำความรู้เท่านามลูกนี่ตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่จะมาหลงอยู่ตลอดกาล อันพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารก็ทรงโปรดสอนให้จิตตรงนี้ให้รู้แจ้งในนามในรูปในขันหา น, นี้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราจุดประสงค์ของพระองค์อยู่ตรงนี้เองจุดประสงค์แท้ ดังเช่นคำทำวัดเช่านั่นเมื่อแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ความว่าอันพระพุพธภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมมากกว่าอย่างอื่นนั้นได้ทรงแสดงเรื่องขันหานี้ รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ช็องไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ของเขาส่วนมากพระองค์มักจะสอนอย่างนี้มันก็เป็นความจริงเลยเพราะว่าจิตใจมันคล้องอยู่ในโลก น, นี่มันก็เป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ คือมันคล้องอยู่ในขันห้าอันนี้นะนั่นหนใจของท่านผู้ใดฝึกให้ดีให้มีปัญญารู้แจ้งในขันห้าตามไม่จริงแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขาปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนี้นะท่านผู้เช่นนั้นท่านก็พ้นทุกข์ไปได้ เพราะเมื่อจิตปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มาเกิดในขันห้านี้อีกเมื่อไม่เกิดขันห้าเมื่อไม่ไม่ได้เกิดในขันห้านี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตนี่จะเป็นทุกข์ก็เพราะมาอาศัยขันห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันมีบัติมันปลป่วนไปอยู่นั้นเวลามันยังไม่แตกดับนี่ มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้ถ้าไม่จิตวันไหวไปมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่ น, นคนส่วนมากก็มาหลงในเวลาที่มันเป็นปกติไม่วิบัติแปรปลวนะเนี่ยมาหลงสำคัญว่าตนยังสบายอยู่ตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมา ไม่แสวงหาที่พึ่งของจิตใจไว้คนส่วนหลายมักจะประมาทอย่างนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บหนักตรงนี้จึงนึกถึงบุญถึงคุณจึงนึกถึงพระถึงเจ้าเอาเป็นที่พึ่งเวลาธรรมดาปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนให้ ตั้งมั่นในบุญในคุณไว้เสมอเมื่อเวลาเจ็บหนักลงแล้วมันไม่มีกำลังใจที่จะนึกถึงใดเพราะกิเลสกรรมวิบ่าวมัครอบงำจิตไว้หมดทนไปสร้างมันขึ้นมาครอบงำตัวเองอย่างหนาแน่นเพราะ้นเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้ว มันไม่มีทางที่จะนึกถึงบุญกุศลได้ทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันสงบจิตอยู่ได้เลยกำหนดรู้เท่าสังขาร น, นามรูปนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาปกติ ใจก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะว่าไม่สั่งสมบุญกุศลคุณพระรัตนาไกลไว้ในใจเป็นแต่สั่งสมแต่อารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงบอกอะไรต่ออะไรไว้อย่างนี้นะใจมันไปฝักไปไปในทางอากุศลนั่นทีนี้ เมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็มีแต่อกุศลนั่นนะเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจคนชอบกรรมมันไม่ใช่ว่าบาปกรรมมันเกิดเองมันไม่ใช่นะจิตใจนี่นะสร้างขึ้นต่างหากนี่จิตสร้างความโลภขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาได้ดีมีสุขมีสมบัติพัสถานมากจิตก็เพ่งเล็งไป อยากได้อยากได้มาเป็นของตนจิตมันสร้างความโกรธขึ้นในตนใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็โกรธแล้วมันก็ยึดความโกรธนั่นไว้เมื่อไม่ได้โอกาสจะทำร้ายผู้ที่ตนโกรธนั่นก็ผูกโกรธไว้ในใจ หาหนทางที่จะแก้แค้นอยู่อย่างนั้นทันเรียกว่าพยาบาทนั่นเลงนี่กิเลสเหล่านี้จิตสร้างขึ้นดังหังถ้าว่าเรื่อไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่โกรธเสียและงับยับยั่งจิตใจไปได้ อเกี่ยวกับคนก็ดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งของใดก็ทั้งมันผิดหวังมาอย่างนี้ก็แล้วไปก็ไม่โกรธไม่ชุนเสียวอืฝึ ก, กจิตนี่อย่าให้มันโกรธอย่ามันชุนเสียวมีสติคอยยับยั้งจิตนี่ไว้เสมอเราฝึกไปนานๆานเข้า สติมันแก่ ก, กล้าเข้าไปมันก็ห้ามจิตนี้ได้ให้เข้าใจเรื่องใดๆก็ตามนะ่ะเกิดขึ้นนะเรามีสตินี้ห้ามจิตไว้ไม่ให้ทรงเสริมเรื่องนั้นั้นเช่นนี้นี่เรื่องนั้นนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตใจไม่ได้ก็ยอมดับไปเป็นอย่างนั้น แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี่นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบจิตใจเนี่ยึดเอาหมดเลยยึดเอาด้วยความยินดีบ้างยึดเอาด้วยความยินร้ายอยู่อย่างนี้นะดันเดียวว่ามันหลงนะ่ะหลงเข้าใจผิดเลยความหลงก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้น จิตจะคิดเลื่อลอยไปหาเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั่นแล้วก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาสงสัยลังเลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมีแต่สงสัยลัําไปคนหลงอะ่ะมันเป็นยังไงนั่ น, น, นลองสนิทฐานดูอ่ะ ก่เลสต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าจิตไปสร้างขึ้นแล้วไม่มีผู้ใด ร, รู้อย่างนี้แล้วก็จะไปสร้างมันขึ้นมาทําไมพ อ, อสร้างมันมาแล้วมันก็มาเผาจิตนี่แหละให้เดือดร้อนอเป็นอย่างั้นไม่ใช่ว่ามันมา อยู่ในจิตใจนี่มาดีมันอำนวยความสุขให้แก่กจิตใจหาไม่ได้เลยม่แต่มันมาอำนวยความทุกข์ให้แก่งดงกิเลสเลนี่กิเลสเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางทรงสอนให้หาแนทางละเว้นจากความโลภด้วยการให้การบริจาคทานบ่อยๆ เมื่อใจมันชินต่อการบริจาคทานเข้าไปแล้วความโลภความตนีเหนียวแน่นอะไรมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาการุณาให้มากๆเพื่อรับความโกรธอันมันที่จิตหลงไห ล, หลสร้างขึ้นมาไว้นั่นเอง ถ, ถ้ามีธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็าหายหน้าไปเพราะมันเป็นคุณธรรมเครื่องระงับกิเลสอย่างนี้โดยตรงเลยเราจะไปเอาเวทมนตร์คาถาอย่างอื่นมากำจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยนะไดเพิ่งพากันเข้าใจ การทำใจให้สงบระงรับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ระงรับความหลงพอเมื่อจิตใจสงบระงรับแล้วปัญญามันบังเกิดขึ้นมันมองเห็นทรรุปโ ป, ป่งเลยความจริงของชีวิตนี่มีอย่างไรมันก็มองเห็นได้ชัดเจนไปอย่างนั้นดังนั้นอ่ะ วิธีระงับความหลงชึงอาศัยการทำสมาธิภาวนาบ้างการฟังบ้างการภาวนานี่มันก็ให้เกิดปัญญาอันสุขุมนุ่มลึกรู้แจ้งกิเลสอันละเอียดได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ยังไม่ละเอียดพอแต่มันก็เป็นบันไดไต่ไปหา ปัญญาอันสุ ข, ขุมละเอียดอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นขั้นตอนไปการฟังการเรียนการจำามเนมันทาเปรียบบันไดแล้วก็เปรียบเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขึ้นไปอย่างนั้นเนการภาวนาอบรมจิตใจฉเฉลียวฉลาดนี่อุปมามันย่อขึ้นบันไดไปถึง ขั้นบนสุดไปแล้วมีแต่จะย่างขึ้นไปสู่บนเรือนมันเป็นอย่างนี้เรื่องปัญญากนอมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ขั้นเดียวแต่คนส่วนหหายนั่นว่าอย่างนั้นก็ชอบแต่การฟังหรือการเรียนเท่านั้นแหละการเรียนการจำเอาที่ท่านเนว่าทรงไว้ซึ่งพทธิพจน เพียงแต่เรียนแต่จำไว้เท่านั้นนะ่ะไม่ลงมือปฏิบัติไม่ฝึกฝนไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ที่ได้เรียนได้จำมานั่นนะ่ะไม่พิจารณาเอาธรรมะอันนั้นมาใช้ระงับกิเลสมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำไว้ที่เคยเหมือนอย่างยาหมอเขา บอกเราให้ให้กินยาเม็ดนี้นะอย่างนี้นะพู้นั้นไม่กินเนี่ยเมื่อไม่กินแล้วยามันอยู่ข้างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายแต่เมื่อกินเข้าไปหุ่นยามไปทำหน้าที่ขจัดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายเนี่ยโรคภัยหายไปยา นั่นจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายชั้นใดก็อย่างนั้นเลยพระาะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยทุกวันนี้เรียกว่าพิมพ์กันใส่กระดาษไว้เอาใส่โต๊ะไว้เช่นพระไตรปิดกหมู่นี้อันพระธรรมคำสอนนั้นดีอยู่จริงแหละอยู่ในโต๊นะนั่น นำไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนยาเก็บไว้ในตูต้เฉยเวลาเจ็บไข้ามาก็ไม่เอายามารับประทานอย่างนี้ยามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็อยู่ในตูเ้เฉยนี่สาเหตุที่มันจะมีประโยชน์ได้ก็เพราะเราใช้สอย นี่แหละอุปมานี่ ข, ขอให้พากันเอาไปคิดไปตรองให้ดีเราจะได้รู้ได้เข้าใจว่าคำสอนของพระเถรเจ้านี้ต้องมีโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาจิตใจมันจึงได้ประโยชน์ถ้าอยู่แต่ตำราจำอยู่แต่ด้วยสัญญาเฉยๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเลย เพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันมีโอปานิโกให้น้อมอภิธรรมนั้นเข้ามามาระ ง, งับกิเลสในหัวใจตัวเองให้ได้เช่นอย่างที่ก้าวมาบ่อยๆอยู่ทันเมื่อเมตตากรุณาบังเกิดขึ้นในดวงจิตแล้ว ไอ้ความโกรธความไม่หวานมันก็บันเทาบาบางไปอย่างงี้นะเมื่อฝึกใจให้สัโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไอ้ความโลภความตณีต่างๆมันก็หายไปอย่างนี้แหละจึงว่าพระธรรมนะ่ะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆ ดังตระเอมา